พุทธศสนาเห็นว่าพู้ตเจ้าสอนให้เข้าสู่พระนิพพานไม่มีเชื้อพบเชื้อจัดไม่กลับมาเวียนว่าแต่เกิดดีแล้วมนุษย์จะไม่สูญพันธุ์หรือเป็นว่างงี้นะเอา้าแล้วมีผู้เข้าพระนิพพานกีอีกคนหรือเราว่างั้นลองดูกับมนุษย์ที่เกิดที่มันมากมายกว้องขนาดไหนนี่นะคำถามนี้น่าคิดนะพะอ่อใหญ่จันท นั่นละก็เกิดแล้วก็ตายนะแต่พูดถึงเข้าสู่พระนิพพานไงเออพันมาถามหลวงปู่นี้ละพันว่าพุทธจักรศาสนาพุทธเจ้าสอนให้เข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานให้ก็มาเวียนว่าตายเกิดดีมีความสุขอยู่ที่นั่นแล้วมนุษย์จะไม่สูญพันธุ์หรือพันว่างงี้เล่า ว, ว่ามันจะล้นโลกอยู่เดียวนี่ยฆ่าทิ้งมันก็ยังจะล้นโลกอยู่แล้วว่างกันนะคงก้นเนิดมันก็ไม่อยู่ ทำแทงทําอะไรโอ้ยมันก็ยังจะล้นโลกอยู่นี่ น, นี่มันน่าคิดยังไม่ต้องพูดถึงว่าไปพระนิพพานเพราะคนที่จะไปพระนิพพานเราพูดถึงมีความรู้สึกนคิดกี่คนกันนี่แหละเราจนนั้นว่าเลยพระเถนเนจีที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมีสักกี่คนที่เจตนาพระนิพพานนี่แหละ้องนนก็พูดอยู่พูดแต่ปาก ใ, ใจไม่ไปด้วยพูดพอให้มันแล้วแล้วไปอย่างนั้นน่ะ หรือพูดเพื่อรับสักกาะราะเทศเพื่อรับสักการะเพราะความสันเรนรเฉิเดือนยอเพราะมรรคผลปณิพากพนพากำลังดังถ้าใครไปพุทปฏิบัติจนนั้นชาวพูดถือว่าอผู้ที่ทำบุญในพระประเภทนั้นประเภทผู้ที่ตรงต่อปนิพานมุ่งต่อปนิพานอยู่จะได้บุญมากมได้อานิสงส์มากก็เลยยิดกันในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันนะ ศา ส, สดาอื่นศา ส, สนาอื่นขึ้นมาก็บอกว่าเราคืออรหรันเราคืออรหรันเราคืออรหรันคณะอุบาสกอุบาติกาก็เฮอหากันไปนั่นเหมือนกับพระพ า, พ า, พาทิยานอยู่เกาะเรือแตกอยู่เกาะไม่ใส่เสื้อผ้าเขาเห็นไม่ใส่เสื้อผ้าเข้าไปกลับไปไหว้เอาอาหารไปให้นี่คือพอรหันเราเป็นผู้มากน้อยสันโดษเย่างนั้นนะไม่นุ่งเสื้อผ้า ไม่มีอะไรเลยนี่แหละคือพลังหันเป็นผู้ที่วางภาละทั้งหมดก็เลยไปกราบไปไหว้พระปฏิยะก็เลยเอาใบไม้มาปิดไ้ที่อวัยวะที่มันน่าเกลียดแค่นั้นแล้วก็แล้วไปแล้วก็เป็นพลังหันจอมปลอมอยู่อย่างนั้นนานกุฏิจัสนาพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่เดวดาเดวดานะตามคำพีว่าเป็นพระนาคาลงมาจากสุตตาวาทมาบอกหมู เออเดี๋ยวนี้พุทธเจ้ า, าอุบัติขึ้นแล้วเธอลงโรคหญิงน่นนะรคเป็นที่ไปของพวกเป็นที่ไปของเธอนะพาริยะไอ้ขา้าพุทธเจ้าทราพุทธเจ้าบาตัตขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้กําลังบินทา บ, บานอยู่ที่กรุงสาวัตถีนูน่นพาริยะทราบก็เลยด้านร่นไปนั่นแหละนี่ก็กาลังฮิตกันอรหันต์ในสมัยอุทธกาลเดี๋ยวนี้ก็ว่าเป็นลักษณะ น, นั้นได้พูดถึงเรื่องมาคุณปณิพานผูท้ที่มีบุญมีกุศลที่เป็นเชื้อเดิมมามันก็เลยเข้าไป พอได้ดูแลปุณิบัตกุอาจารย์ใช้ป่าตั้งแต่หลวงปู่มัน่นติดสายหลวงปู่มั่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี่แหละก็เลยทําให้คําว่านิพพานคําว่าพระอรังหันมันติดในจิตของผู้ที่ไฝ่บุญทั้งหลายเพราะว่าจะได้บุญมากมีอาริสงมากแต่จะมีสักกี่คนดังที่หลวงปู่พูดที่ทเจตนาจริงๆเอาเราพวกเราพิจารณาดูได้เลย ผู้ที่เจตนาจริงๆ จ, จะมีสักกี่คนคนตัวตาก็าเห็นแต่เลขตุ้มเป๊ตือขาลาเพศเป่มีลูกมีเมียทั้งอายุปัญชาายทั้งสามสิบสี่สิบก็มีลูกต้องพิยนาวนะปากพูดได้เกียรติาทางธรรมได้แต่ใจมันไม่ไปลูกต้องไม่พิยนาวรักธรรมนักวินยัยถูกต้องอยู่ถึงจะปรปพิสปฏิบาตตามนั้นศีล ส, สมาธิแต่ปัญญาไม่เกิด คือปัญญาที่ถอดถอนอาชวะของตัวเองมีแต่ปัญญาในการล่ําเรียนศีล ส, สมาธิปัญญาก็เลยอยู่ในธรรราและกิริยาที่แสดงเพื่อรับจักระมันไม่มีที่จุดที่ใจตัวนั้นที่รวมลงเป็นศีลสมาธิปัญญาเาวานามาัย์ปัญญามันไม่เกิดขอให้ลูกเต้าเข้าใจนะเห็นลงบุ่พูดเมื่ไหร่ก็ว่าจะมีสักกี่คนที่เจตนาจริงๆที่จะไป เมืองเพรนิพานเออถ้าไปจูดนั้นได้เห็โลกทั้งโลกมันจะไม่เหลือมนุษย์จริงไหมพี่แนนาลุงปูกว่าไม่จริงถ้าไปนั้นได้ทั้งโลกจริง จ, งจงตามที่อุบาจกบาติการมาถามลุงปู่เขาจะแสดงว่าศูญย์สิ้นหมดแต่มันเป็นไปไม่ได้ลูกเต่า การเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามมีอย่างนี้พุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นภพทั้งสามก็อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้การภพรูปภพแหลรูปภพนรกสวรรค์อยู่อย่างนี้บุญบาปอยู่อย่างนี้พุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นมันก็อยู่อย่างนี้อยู่ตามไหนก็อยู่ตามกรมอยู่ตามธรรมชาติมันอยู่อย่างนี้โลกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่อไปอยู่อย่างนี้ วันเดือนปีก็เป็นสมมุติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่นะไปอยู่อย่างนี้นี่คือความแตกความจริงในพุทธศาสนาที่สอนแต่ถ้าเราคิดว่าจะไปพระนิพพานละเราดันดุนละตั้งจิตตั้งใจละถ้าเราไมร่รู้ทางที่จะไปมันก็เท่าเก่าอีกลูกเต้ามันไม่รู้ทางที่จะไปทางที่จะไปมันพระนิพพานเป็นแบบไหนถึงเจตนาตั้งมั่นอยู่แต่มันก็ไรบัญญาไม่รู้จากหนทางที่จะเดินไป คิดว่าตรงนี้ถูกแหละทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ทางที่พุทธศาสนาสอนนี่แหละลูกเตา่าก็เลยหลงโลกหลงทางกันไปในกวายการ์ที่เจตนาอยู่ก็มีแต่ว่าถ้าไม่เดินตามมรรคแปดคือสิ้นสมาธิปัญญามันก็ไม่สามารถเอาตัวรอดตลอดรอดฝังได้ให้สามารถเข้าสู่พรนิพพานได้ทายังไงพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทํายังไงจริงจะทํายังไงมนุษย์จริงจะเข้าสู่พรนิพพานหมด คำถามที่ญาติโยมถามลุงปู่อุเจ้าอุบาขึ้นจะมีอยู่กี่ล้านล้านพระองค์มากกว่าเม็ดหินเม็ดจารในท้องมหาสมุทรแล้วทําไมจึงไม่สามารถรลื้อขนสัตว์โลกเข้าสู่มรรคผลิภานได้คําถามนี้อยู่ที่แม่เสลี่ยมที่เราเตรียมตัวที่จะไปนี่จากญาติโยมคนหนึ่งที่เป็นจิตสายพระป่าจะองค์ลุงปู่มั่นลุงปู่ฟั่นลุงปู่ละไหลายองค์หลายองค์ ตั้งคำถามหลวงปู่พิยานาดูให้ชัดนะดูพระพุทธ เ, เจ้าจะมีอยู่กี่ล้านล้านพระองค์ทําไมจึงไม่สามารถพืน้นนสัตว์โลกไปสู่เมืองพระนิพพานได้ทาไมสัตว์โลกต้องมาตกและกรรมลาบากอยู่อย่างนี้เพราะใจของสัตว์โลกไม่ยอมลวงเต้าให้เข้าใจดังที่ดังปู่พูดให้ฟังในการเริ่มต้นนั่นแหละเพราะใจใจสัตว์โลกมันไม่ยอมมันไม่ได้มอบกายถวายชีวิตที่เมืองพระนิพพาน มันมอบกายถวายชีวิตอยู่กับปพร่าสารพัดอยู่กับผู้หญิงอยู่กับผู้ชายอยู่กับลูกกับเต่าญาติโมโหติกาชาวตินเงินทองมันมอบกายถวายชีวิตอยู่ที่นั่นใจลึกๆจริงๆของลูกเต่าผีเจรนาเอาใจของลูกเต่ามันยังไม่ตั้งมันม่นเมนมันไม่ยอมสลัดเป็นสลัดตายไม่สลัดความรักความอาลัยความโกรธความเกลียดออกจากจิตจากใจของลูกเต้าปรารถนาพผลิพานอย่างเดียวโซ่สุดโซเป็นโซ่ตาย ลูกไม่มีตัวนี้ลูกจึงไม่สามารถที่จะไปเมืองนพณนิพานได้ชัดลูกไม่สามารถที่จะไปเมืองนพณนิพานได้คือทําได้แต่าอาการและปากเตะพูดคําพูดได้อยู่แต่ใจมันไม่ยอมไปห่วงหน้าพระวงหลังหรือไงยื้อแย่งกันอยู่ระหว่างความรู้สึกในคิดของตัวเองที่ไม่สามารถลงรับกันได้ว่ามันเป็นอะไรนี่แหละในช่วงที่ลงุงปู่อยู่ครองคารวาตยื้อแย่งกันสามปีลุงปู่จึงลงตัวได้ลูกเต้าพิจนาว สามปีหลวงปู่จึงลงตัวได้ขนาหลวงปู่เจตนาจะออกันออกบันพชาอ้อาสามปียี่ส3บเก้าสามสิบสบเสาสองสาสุเกือบิปีเจตนาตั้งมั่นที่จะเข้าออกบันพาชาเพื่อปรตตนาปนิพันธ์เมื่ออายุย9เกปีดูที่ลูกฟาดกันอยู่อย่างนั้น จนสามสีบกว่าปีลูกพีนาเอากี่พีเอาพีนาเอาลงตัวกันไม่ได้ลูกมันไม่ยื้อแย่งกันอย่างนั้นเพราะไม่ทราบถึงความคิดที่แท้ของตัวเองเห็นมันอยู่แต่ไม่ทราบว่าความคิดที่แท้เป็นยังไงเพราะตะนนั้นมันบีบรัดในจิตในใจของเรามากเพราะเราเป็นคนที่มีความสักความจริงทำอะไรก็จริงจังเกินไปบางเวลาทำอะไรขึ้นมามันก็จริงจังล่มจีใจเกินไปมันก็เลยแน่นยที่ใจนั้น เอากันฟัดเหวี่ยงกันอยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะออกจากโลกอันนี้ก็ยังเสียดายยังห่วงอันนี้ก็ห่วงพ่อหวงแม่ห่วงทุกสิ่งทุกอย่างไปกลัคควว่าไม่มีใครดูแลพ่อแม่อืมถ้าเราไปนี้พ่อแม่จะอยู่ยังไงนั่นความคิดมันลางกันเอา้าถ้าเราหรือความคิดหนึ่งก็เกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ลนั่นแล้วใครจะเป็นดูแลใครจะเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่อา้าวขึ้นเลย ก็ถูกต้องอยู่ถ้าเราตายเราไม่รับรู้อะไรเอา้าไม่รับรู้แล้ววิญญาณการปฏิสนธิของวิญญาณจะเกิดได้ยังไงถ้าตัวนั้นไม่รับรู้อ่าึ้นเอากันแล้วนั่นมันเป็นอย่างนั้นแล้วตัวตนทั้งโกหมกไม่ทาไมรับทำไมรับรู้แล้วทําไมถึงมีความทุกข์เวทนาจึงเกิดอยู่ในนั้นถ้าตัวนี้มันดับไปพร้อมกับการตายเกิดขึ้นเอาและความคิดเอากันแล้วเหมือนกับคนบ้านนี่แหละมันเอากันไม่ลงมันก็เอากันอยู่เนั่นถ้าเราตายเดี๋ยวนี้แล้ว เราก็ไม่รับรู้อะไรแล้วพ่อแม่จะอยู่ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนี่มันก็ไปอย่างนั้นเอ้ารู้ได้ยังไงว่าตายแล้วจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดและหวงแม่วิญญาณจะไม่มานั่งเฝ้าแม่อยู่อย่างนี้มันก็เอากันอยู่งั้นแหละคือในช่วงที่มันยังไม่ลมกันยื้อแย่งความคิดดึงรากดึงกันอยู่อย่างนั้นหลายปีเอากันอยู่อย่างงั้นแหละผลสุดต้ายมันก็ลงกันจิตมันรวมนี่แหละดูจิตมันรวมแล้วรวมเล้ารวมแล้วรวมแล้วมันก็เกิดเป็นสมาธิ จิตรวมนั้นท่านจะเรียกตามภาษาพุทธศาสนานั้นไม่ใช่สมาธิหรือจะว่าเป็นสมาธิอีกแบบอย่างก็ถูกอ ย, อยู่แต่จะพูดตามพุทธศาสนาไม่ใช่สม า, าสมาธินี่ถูกต้องที่สุดถ้ามันเป็นสม า, าสมาธิแล้วจิตรวมแล้วรวมแล้วรวมแล้วรวมแล้ ว, ล ว, ลวทำไมจึงมันจึงตัดสรู้ไม่ได้เข้าฌานห่อเหินเดินฟ้าได้แล้วทําไมมันจึงตัดสรุไม่ได้าาไดไจงจริงษรงเ ด, ดชจงอภิญญาแล้วทาไมมันจึงไม่สามารถทำลายอศวรให้สิ้นได้ ้าว่าตัวนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ไปตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนหนอคาว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยความแต่ความจริงที่แท้มันอยู่ยังไงแล้วก็เบนเป้าหมายไปจุดนั้นคือจุดแห่งความคิดที่มันดึงกันระหว่างระหว่างโลกระหว่างไอ้โลกียะกับโลกุตละมันดึงกันอย่างนั้นระหว่างโลกที่เป็นการอยู่ แบบโลกโลกหลงหลงพวกเราธรรมดากับการอยู่ในงานเทศของสามัญเพศนี่นะถ้าเราจะออกวันพรรษาความห่วงพ่อแม่เรามีมาตั้งตแต่ไหนแต่ไรมาเพราะเราไม่ได้ค่อยได้จากพ่อแม่ไปไหนก็มีเราที่เป็นผู้ดูพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดจะไปเราก็ต้องมีผู้อยู่ดูอยู่กับพ่อกับแม่ก่อนเราจึงไปทํางานอยู่ในบางกรอบหรือไปเรียนช่างช่วงเวลานั้นแต่นี้มันไม่มีใครอยู่ก็มีเราเพียง คนเดียวกับหลานที่อยู่กำลังเรียนหนังสือจะแล้วจะไปยังไงขอให้เราแก่กว่า น, นี้ถ้าก่อนเราจึงจะไปมันก็ไปองั้นอา้าถ้าเกิดมันไม่แก่แล้วคือมันตายตอนนี้แล้วมึงจะทํำยังไงนี่ว่าตัวเองอีกนี่แหละความคิดมันเอากันอยู่อย่างนั้นลูกถ้ามันเหมือนกับคนบ้า น, นี่แหละคือมันไม่ลงรอยกันมันไม่ลงตัวกันมันก็เอากันอยู่อย่างนั้นเออถ้าถ้าเราทําบุญมากๆเราจะได้บุญได้กุศลไม่ตกนรก สุขติภูมิเป็นที่ไปของเราเราจะทำแตบ่บุญแต่บุญมากๆเอาแล้วกรรมพวกเธอไม่ทํำเลยหรือเอานั่นเอาขึ้นแล้วเราต้องทํามาหากินอยู่ตลอดทําปานติบาญอยู่คําพูดคําจาจะพูดตามความแต่ความจริงก็ไม่ได้ก็ต้องมีหลบหลีกไว้จุดนั้นจุดนี้คือโคหกหลอกรวงมันก็ต้องมีอยู่ในโลกในสงสารจะพูดความตรงเลยไม่ได้มันก็ต้องหาทางหลบทางหลีกเพื่อการอยู่รอดของตัวเองของหมู่คณะ ของพ่อแม่ที่อยู่ด้วยถ้าพูดตรงๆมันก็ไม่ได้มันอยู่อย่างนั้นขึ้นศาลลงศาลมันก็ใช้ความโกหกหลอกลวงกันเพราะมีแต่ความเท็จหาความจริความจริงไม่ได้พอมาขึ้นศาลลงศาลบ่อยมันก็รู้จักแล้วจะเอาตรงไหนแหละคือความจริงถ้าตรงนี้มันเป็นลักษณะนี้มันก็ไม่สามารถมีบุญมีกุศลอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์มันต้องมีบาปกุศลเพิ่มเข้าไปด้วยลูกเต่าพิจารณาเอาเท่านั้นมันก็เอาแล้วปรุงแต่งกันอยู่อย่างนั้นถ้าเราจะไม่ไม่จะ ถ้าเราจะไม่ลงนรกเลยเป็นไปไม่ได้พอพูดถึงนรกเท่านั้นแหละมันเสียบู่เสียวู่เข้าไปในใจหาวิธีการที่จะออกเอากันอยู่อย่างนั้นแต่เราวิ่แต่ละวันแล้วก็มาทํางานอยู่ต่างโลกฟางเทศฟางธรรมครูบาอาจารย์ศึกษาในคําเทศของครูบาอาจารย์แต่ไม่มีตํำรับตาราที่จะดูนี่แล้วพอที่มาลงตัวกันที่ปฏิปทาล้มปู่มั่นนี่แหละมันก็เลยลงกันปึกเลยพอนี้เออนี่ เราพอศึกษาปฏิปทาหลวงปู่มั่นเรื่องของเรื่องมันอันนี้เราจะลองดูมันเริ่ม อ, อย่างนั้นถ้าเรารู้เราเห็นตามปฏิปทาหลวงปู่มั่นจิตเราเป็นอย่างนั้นลักษณะ น, นั้นรู้เห็นตามที่ปฏิปทาหลวงปู่มั่นที่เขียนโดยหลงตามาอ้าบัวพู้เลิศที่เรากขับระบายท่านที่เราแนใจใจ่ใจใจจันใจกับเพื่อนมาตลอดถ้าเราภาวนาแล้วจิตเราเป็นลักษณะนั้นเราจึงจะเชื่อแล้วจอกันพระชา แต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยในการภาวนาในช่วงนี้เราก็ไม่เชื่อว่าปฏิปารวงปู่มัน่นที่เขียนโดยองค์หลวงตามหาบัว น, นั้นเป็นความจากความจริงมันก็เอาเขามันอย่างนั้นนะลูก เ, เริ่มแล้วก็ปีหนาก็ได้โกรธได้แล้วก็เข้าป่าเรื่อยๆเข้าป่าเรื่อยๆสามปีให้หลังสามปีให้หลังเข้าป่าเรื่อยๆเข้าป่าเรื่อยๆพอปีแรก เริ่มล่ะเริ่มมีอาการวูบว่าเกิดขนปองสยองก้าวก็นึกว่าผีหลอกเพราะไม่ทราบไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะเที่ยมสอนผีหลอกก็กลัวเราก็มีความกลัวเพราะเราปฏิบัติองค์เดียวไม่มีกลั ว, ไ ม, มวไม่มีบาไปถามใครเพื่อนก็ไม่ทราบพระแถวนั้นไม่ทราบไปถามทุกรูปทุกองคก็มีแต่พระบ้องไฟพระนี่พระขู่บ้าไรนั่นแหละเล่นบ้องไฟพระอยู่ทั้งโลกร้องเสนาพันยะณพัญญะไปงั้นแหละ ประกวดสารพันธ์ประกวดนวลประกวดนี่กันไม่มีพระผู้ที่เรียกว่าพระสุปฏิปนุผู้ที่หวังมักขนปณิพานลูกเต่า น, นี้หลวลงปู่พูดตามความแต่ความจริงที่พูดเมื่อตะกี้ว่ามันจะมีสักกี่องค์หรือมีสักกี่คนที่เป็นชาวพุทธของพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเดินยังคมนั่งภาวน า, นวนานอยู่เดี๋ยวนี้ต้องการเมืองปณิพานก็เข้าออกันเลยตอนนั้นนยังไงเมื่อไม่มีกลูไม่มีบาเราอยากจะทราบว่า ปฏิปทาอง์หลวงปู่มั่นภูริทัตตูดดนั้นเป็นความถอ่อความจริงหรือไม่แล้วก็เริ่มเริ่มเลยที่ไหนกลัวที่นั่นเป็นที่รู้จักอาจรู้จักถามเป็นว่านี่หลวงปู่มั่นที่ไหนกลัวก็คือให้สลากตายที่นั่นอยาเสียดายอะไรในชีวิตอินจีของตัวเองเพราชีวิตนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดดาไปถึงเราจะไม่ถึงเราจะเสียดายมันก็ไม่อยู่กับเรา จะเสียดายหรือไม่เสียดายร่างนี้มันก็ไม่อยู่กับเราถึงการเวลามันก็แตกแส้ไปตามการเวลาเพราะเป็นธาตุทั้งสี่อ๋อธาตุทั้งสี่ก็รู้แต่ตำราตอนนี้ไม่รู้แต่ความจาความจริงก็เริ่มปฏิบัติมันก็เริ่มวูบวูบปั๊บเหมือนพวกเราเป็นนี่แหละเอ๊มันเป็นอะไรมันกลัวผีมั้งนี่กลัวผีแล้วก็บ้านใหม่ก็เอาพระไปด้วยเอาพุทธรูปใส่ย่ามไปมันจะไม่ได้กลัวพุทธรูปเก่าๆคิดว่าขังแล้วสามารถกั้นผีได้มันก็เท่าเก่ามันนั่นแหละ อันนี้เอาไปองเดียวไม่ไหวก็เอาไปสององสามององใหญ่ใหญ่ญาติย่ามไปเข้าป่าความกลัวเป็นเหตุนี่แหละลูกเต้าความกลัวเป็นเหตุจึง ท, ทำให้องค์ลุงปู่นั้นเริ่มมีหยาดมีทมถ้าเรากลัวอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไปที่ไหนได้นะในว่าจะออกบรรพชาเสือเป็นโสตายหรือปฏิบัติ ต, ตาม ปฏิปาทาลงผู่มั่นที่เพิ่นโสดเป็นโสตายตามปากเขานอนนอนไปองเดียวแล้วแค่นี้เราไปไม่ได้แล้วจะไปยันได้ยังไงความเชื่อความเลื่อมใสในปฏิปาทาลงผูมั่นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเราไม่โสเป็นโสตายนั่นแหละพอลงตรงนั้นมาก็ลงเลยกลัวที่สุดก็กำลังเผาก็กลังเผาอยู่เผาคนอยู่ใหม่ๆนี่แหละทีนี้เดินเข้าไปนี่ลงดีมันเผากํลาลังเผาอยู่เดิน เดินเข้าไปก้าวขาไม่ออกพ่อสพ่อศพว่ารังถูกย่างสุดๆร้อนอยู่เพราะในในสมัยนั้นมันยังไม่มีทาไม่ได้มีไอ้พวกเมรุไอ้ทาไอ้นี่อยู่ขึ้นอยู่เริ่มเลยแล้วก็เท้าก้าวขาไม่ออกนี่คือฝึกตัวเองมูคณะอ่ามูที่อยู่ทั้งโลกได้การเกิดเสียแล้วเมก่เสียมันตายหงที่บ้านเขาจะไม่เผา เขาก็เลยเอาไปนอนไว้อยู่ในพื้นดินแล้วก็ก่อโบอกปูณปิดไว้นั่นแหละที่ลุงปู่สู้เจ้าจนว่าลุงปู่เกือบเป็นบ้าอยู่ในในขดนี่แหละอตอนตอนกลางวันก็ไม่เป็นไรหรอลูกเต้าก็คิดว่าอยู่ได้เพราะไปกวาดสถานที่ที่ศพมันศพหมูอยู่ข้างล่างนั่นแหละแล้วก็อยู่ข้างบนมันเอาปูนโบกไว้อย่างดินอะไรเป็นสี่เหลี่ยมนั่นแหละ สบอยู่ข้างล่างเอายีดบล็อกอะไรเอปูนบอกว่าอย่างดีมันก็น่าขวาดไอ้มันก็น่านั่งดีแต่กลางวันนั้เป็นไรเราเพิอยู่ในวัดเนี่ยเราไปคุยกับครูบาอาจารย์อยู่ครูบาอาจารย์เพิ่งก็ไม่รู้เรื่องรู้ลาวแล้วคนก็มีแต่ความกลัวทุกคนอยเวลาจนเมื่อกล้า ม, มาทำบวัดเจร็จเพิ่งก็พากันเข้ากุฏิเจดียเดือนยงกรมก็ไม่กี่ก้าวก็กขึ้นกุฏิเพราะความกลัวแต่เรานี่เราคิดว่าไม่กลัวแล้วตอนแรกเพรเป็นหมู่กันว่าเป็นน้องชายเราเป็นน้องหัก ไปไหนมาไหนก็เคยไปได้วยกันอยู่ตอนนี้เวลาที่มันพบขํามันเดือนมืดนะี่ยที่ลูกเต่าอันนี้แหละมันเอาแล้วนี่แหละที่เรื่องปู่เทศเรื่องสังขารขันตลอดการปรุงกันกแต่งความคิดของเรานั่นแนี่ยลูกเต่ามันทำให้เราเป็นบ้าความคิดของตัวเองนั่นแหละมันทำให้เราบ้าเพราะความคิดนั้นมันไม่ใช่เราแต่มันสร้างให้เรากลัว สร้างให้เราไม่กลัวมันอยู่ที่ความคิดตัวนั้นพ อ, อพบค้ามปับ๊บเริ่มละก็กดกอกลางแล้วก็ปิดอย่างดีตรนั้นเริ่มแล้วความคิดความปรุงความแต่งเกิดแล้วลูกเต้าเอ้ยถ้าจะออกจากกดก็ได้ลั่นวาจา ก, กับครูบาอาจารย์ได้ว่าจะอยู่ที่นั่นคุนก็ว่าโอ้เอาจริงเหรอเอาเก่งจริงเหือปทิศ่าว่าจะเอาจริงแล้ววันนี้ไ่ ผมว่าจะเอาจริงนะนานาเราบรระชาที่นั่นผมว่าผมจะเอาจริงแล้วจะลองดูเดีย๋ยวจะจะเอาจริงแล้วจะออกจากก็ออกจากจุดนี้ก็ช่วงเช้านะว่าอย่างนั้นกุีิเพื่อนก็อยู่ไกลอยู่ประมาณสักหนึ่งกิโลนี่นะช่วงแรกมันก็ไม่เป็นไรหรอกลูกแต่ว่าช่วงมันดึ๋งเงียบสงัดเพราะคนไม่เพ่นพานเพราะเป็นชายป่าที่ติดกับทุ่งทุ่งนา เงียบจังหัดนี่เราเริ่มแล้วลุงผู้สู้ความความคิดของตัวเองตั้งแต่เริ่มพบคําจนถึงสว่างเกือบเป็นบ้านเอาและความคิดองค์แต่งไปถ้ามันผล่ขึ้นมานี้เราจะทํำยังไงมันไปดูที่ดูบักคอมชื่อมันน่ะเวลาถ้ามันผล่ขึ้นมานี้แผ่นดินแจ้งขึ้นมาเหมือนในหนังเราดูเราจะทํำยังไงมันไม่ได้ไปที่อื่นนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ข้างบนมันมันอยู่ข้างล่าง ตามันคงจะบดูเนื้อที่ลูกเต่าพียนาวดีมันเป็นบ้าของมันอยู่นั่นแหละถ้าจะออกมาก็ได้ลั่นวาจากับหลวงนาหลวงตากรูบ า, าอาจารย์แล้วเริ่มแล้วเหงื่อนี่ฟดเลยมันช่วงฤดูเริ่มจะหนาวหนาว น, น, นิดหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเหงื่อไม่รู้มาจากไหนจะออกมานี่ความไม่กล้าถึงกับเ ย, ยวจะราด้วะความกลัวสุดขีดองแต่งสารพัดเชลเพอ สักพักมันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในมนุจิตในความคิตมคธมันก็โผล่ขึ้นมาดินแย่ขึ้นมากูอุ้ยกลัวจิงตัวสัน่นคุ้มตัวเองจะไม่อยู่แท น, นที่มันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเราก็อยู่งั่นแหละเราบ้าบ้าความคิดนี่แหละนักปฏิบัติธรรมจึงเป็นบ้าหลงในความคิดของตัวเองเรามาคุ้มได้ในช่วงประมาณตีสี่ 4. ที่ได้ยินแสีงะระฆังครูบาอาจารย์ตีสาม กว่าทีสามครึ่งนี่แหละเป็นลั่นละครังเรามาคุมได้แต่เราไม่กล้าออกจากกฎให้ลูกเต้าพี่นะว่าความกลัวลุงกูจะขนาดไหนลุงปู่ไม่กล้าออกจากกฎไปทำวัดกลัวขนาดไหนลูกเต้าแล้วทุกวันนี้แหละที่ว่าเป็นครูเป็นบาของพวกเราฝึกตัวเองขนาดไหนเมื่อเปรียบเปียกกว่าสมัยกองกาลาวาดเปียบเปียบกวันดูที่ลูกเต่าพระมองอาจกล้าหาันมาจากไหน ก็มาจากการฝึกฝนอบร ม, มนิสัยตัวเองนั่นแหละทำไมจะฝึกไม่ได้จิตมันฝึกได้ตัวเอะมันฝึกได้ถึงจะยากลําบากหน่อยมันก็ฝึกได้ความกลัวใครจะเกินลงปูกไม่มีล่องปูกบ้ายินเสียงอะไรนี่ตกใจแทบจะเป็นลมแล้วคือความกลัวผีเป็นหนักที่สุดพอได้ลุ้นกันวันนั้นก็เริ่มเลยเริ่มที่จะสู้ที่ไหนมีการเผาศพย่างสดๆรีบก็ไป เริ่มเลยแม้แต่ในเมรูดเมลที่มันทาขึ้นมาใหม่ๆเปินเผาใหม่ๆแล้วก็ไปเปิดดูอียานาลูกเต่าเริ่มเลยเริ่มแต่วันแรกวแกก็กลัวเหมือนกันละเดินก้าวขาไม่ออกเหมือนกับที่ไปที่ลงผู้เคยพูดให้ฟังนะที่เป็นทุ่งใหญ่ที่ติดเลยคลองน้ำไปที่มันมีผีที่ดูมากที่ฆ่าชีวิตคนหลายคนที่ทางโค้งนั้น ความกลัวสุดขีดทาให้ลุงปู่ไม่กล้าเดินเข้าไปสถานที่ที่จุดนั้นที่มีไอ้ควงมาเลยหรือสารเจ้าอยู่ไปนอนประมาณชักสองร้อยเมตรนี่ก่อนไอ้ห้าร้อยเมตรก่อนวันที่สองขยับก็ไปอีกเหลืออยู่สามร้อยเมตรนี่แหละวันที่สามขยับก็ไปอีกมันก้าวขาไม่ออกมันรู้เพราะมันเงียบสงัดมันวางเวงนะไม่เหมือนทุกวันนี้นะลูกในสมัยก่อน ไม่ต้องพูดถึงเรื่องรถนะลูกจักรยานก็ยังหายากที่บ้านลงปู่นะเราจักรยานนี้ก็ยังหายากอยู่ลูกเจ้าไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นหรอกหนทางไม่ต้องไปพูดถึงเป็นทางที่ขูกะวทางเข้าวัดเรานี่ก็เป็นทางธรรมดาที่ว่าดีแล้วนะแต่ทางที่เราไปทำเปลี่ยนในสมัยที่คองกลังว่ า, าอยู่เดี๋ยวบ้านลุงปู่ไม่ต้องไปพูดถึงเออไม่ต้องไปพูดถึงความแ ย, ยบเจริมันเกิด กันดึกๆมานี่โอ้โหมันเย็นเข้าไปาขั้วเขาหยุดหายใจคนที่ลุกขึ้นในช่วงที่ต่อสู้กับเวตาณาอยู่ที่กับหลุมสว่างสุปเจ้าคอมนนะั่นมันก็เริ่มลุกขึ้นมาเรื่อยๆลุกขึ้นมาเรื่อยๆคนตั้งรูปลงเรื่อยพยายามฮึดสู้พราะพรจิตมันไม่คิดที่จะอยู่ทางโลกนานแล้วลูกตามมันคิดที่จะออกบรรพชาอย่างเดียวเห็นพระเหลืองไม่ได้จิตใ จ, จมันน้อมน้าวอยู่ในพระเหลืองตลอดตลอด แต่การที่จะออกบรรพชาเราต้องแน่ใจตายใจว่าการบรรพชาครั้งนี้การที่จะกลับเข้าสู่โลกแห่งสมมติในการของภกรวา่าอีกเป็นไม่มีต้องแน่ใจตายใจว่าเพี้ยนพเหลืองเป็นที่ฝากเป็นฝากใยเราจึงจะออกบรรพชานันหนะักเข้านั้นหนะักเข้าความกลัวมัน ก็ค่อยทุเลาเบาวางไปก็ได้สถานที่ที่ไหนมีความกลัวก็เข้าไปเข้าไปขนพองทะยองก้าวที่มันหนักมันก็ค่อยหอดตัวก็ามาหดตัวก็ามาจนไปต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นคำเริ่มหรือว่าผีดุแล้วก็ผีตัว น, นั้นก็ดุจริงๆมันเคยเต็บปากลงปู่จนป่วยอยู่หลายเดือนเพราะลงปู่ไอ้ทำเตาถ่านขวางทางมัน เวลาที่เราพอที่จะบึกบืนได้แล้วก็ไปจุดนั้นแหละมันเป็นต้นอล า, างใหญ่ต้นอล า, างนั้นถ้าจะนับดูตามกำเนิดของมันที่ถามชั่วอายุคนมาประมาณสา0ร้อยถึงห้าร้อยปีต้นอล า, างใหญ่ต้นนั้นประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าคนหรือหกคนโอบนี่หรือสิบคนโอบนี่เลย มันประมาณห้าร้อยชั่วคนเพราะประมาณนี้แหลพะพอเกิดมาใครก็เห็นต้นอลางนั้นตั้งแต่งานดูสูงสุดเชชนที่บอกว่ามองอยู่ที่บ้านก็มองเห็นเพราะต้นมันสูงต้นอลางต้นนั้นเป็นที่กล่าวขานรกรรลำลัาหรือว่าผีดุและเราก็เคยเจอในสมยัยที่เราอายุสิบกว่าปีเคยเตะปากเรามันบอกให้เราเอาไอา้ไปนอนฝางทางมันมันบอกให้เราลุกเราไม่ลุกมันก็เลยเตะปากเรา เราก็เลยป่วยหรื อ, อตั้งหลายเดือนอยู่นั้นเคยพูดให้พวกเราฟังทีนี้พอเราพอบึกบืนได้เราก็ไปอยู่นั้นวันแรกก็ไปก็ปกติวันสองก็ไปก็ปกติวันสามไปวันสามที่ไปนี่ลูกเต่ามันไม่ได้ไปเจอผีหรอกแต่ผีในใจของตัวเองนั่นผีในความรู้สึกในคิดของตัวเองนั่นนอนลรวก็จะนอนตะแคงข้าง คือหลวงพ่อจะนอนต่แคงข้างเดียวมานานแล้วตั้งแต่นู้นตั้งแต่ที่จะเตรียมตัวที่จะ อ, อวบนประชาเมื่ออายุเท่าไหร่เมื่อ29ปีเริ่มฝึกฝนอบรมบทนิสใจตัวเองได้ฉันข้างเดียวมานานแล้วดูนานแล้วแต่ว่าเริ่มจริงๆก็ตั้งแต่นี่นะ20ปี20ปีที่ที่อยู่กับท่านพระอาจารย์เจริญเอ้ยเริ่มเริ่มแรกเริ่มแรกจริงๆ มีท่านป้ายอาจารย์เจริญสอนให้เดี๋ยวนี้ท่านศึกษาลาเพื่อไปแล้วดังที่พูดให้พวกเราฟังนั่นแหละอันนี้เวลาที่มันเป็นของมันคืนนั้นนี่หละลูกเต้าเ อ, อ้ยใช้จะว่าผีภายนัยนอกเก่งมันสู้ผีภายในที่ปรุงไม่ได้นั่งภาวนานเดินจงกรมคือหลวงปู่จะไปทําทางจงกรมไปหมดพวกก็ไปหาของป่าจนเขาว่าผีบ้ามาทําอะไรไว้ที่เป็นทางยาวๆนั่นกลางคืนหลวงปู่จะไป ป่าชาบ้างที่ไหนที่บอกว่าเป็นศาลเจ้าเป็นอะไรที่ว่าเป็นปู่บ้านปู่อะไรลุงกูจะไปทำทางจงกรมไปก่อนเพราะมันเป็นป่ารกชัดคนที่เข้าไปหาของจริงๆที่เขาไม่กลัวไปบางบ้างเขาจริงจะเห็นทางจงกรมลุงปู่ลุงเตาพิจารณาว่าลุงปู่ลวงปู่ฝึกฝนอบรมนิสัยตัวยังขนาดไหนกว่าที่จะมาเป็นครูเป็นบาปงพวกเรากว่าที่ลุงปู่จะเข้าภาคส น, นามในการสลัดเป็นสลัดตายที่ออกจากบ้านมาถึงต้องสงบสลายเพราะนั่นแหละเรียกว่าเข้าสู่ภาคเข้าสู่สนามโลก ลบกบตัวเองนั่นแหละที่ต้นอาลางใหญ่ต้นนั้นมันเหตุที่มันเป็นเดนยังกรมนั่ง้าวนาสักพักพ้หัวมันตั้งคือตลอดมันไม่ยอมลงถ้ายัางไงมันก็นอนไม่หลับเราก็เลยเอ็นกายลงตะแคงขวาพุโตพุโธอยู่เห็นแขนเห็นแขนข้างหนึ่งมันเข้าไปแขนข้างหนึ่งเข้าไป แขนข้างหนึ่งมือใหญ่ๆผีขาวๆดูที่ลูกกิจมันหลอนหลวงปู่จะเล่าให้พวกเราฟังเพราะเราจะได้จําบว่าผีภายในนั้นน่ากลัวกว่าผีภายนอกผีภายนอกไม่น่ากลัวโปร่ง่ายเหมืนที่มาหาพวกเราพอเข้ามาจาันนั้นเอามือมือมาจากไหนนี่แหละถ้าหลวงปู่ไม่มีสติหลวงปู่คงเป็นบ้าวันนั้น มือค่อยสอดเข้ามาในกฎสอดเข้ามาในกฎมือนั้นมาหงายอยู่ตรงหน้าเราพอดีสีขาวโพลนใหญ่จนสว่างไปหมดมันเป็นเงาเพราะมันเดือนมือเดือนมันสว่างเดือนมันจ้าอยู่มองอยู่จิตมันหลอนลุูมองอยู่มือมามองแลว้วก็มองอีกแต่ว่าใจสู้อยู่ ความกลัวกลัวจนกลัวสุดขีดล่แต่ใจมันสู้อยู่จนมือมันไม่สามารถไอ้ที่ที่จะขยับได้ตอนแรกเอากันอยู่จนถึงโน่นแหละจนถึงขอนคืนประมาณตั้งตีหนึ่งเอากันตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่สามทุ่มเอากันอยู่อย่างนั้นแหละกับมืออันนั้นละ่ะเข้ามาแต่มือครึ่งครึ่งศอกเข้ามาแล้วก็เอามือ น, น, นั้นมาวางไว้ตรงหน้าเราพอดีมืออยู่อย่างนั้น แล้วมือนั้นก็ไม่กระดุกกระดิกกลัวที่จนว่าชนิีที่บอกว่ามันไม่มีที่จะไปแล้วกลัวจนสุดกลัวนั่นแหละแต่สติยังตั้งมั่นอยู่เพราะมันเคยสู้มาสมัยโน่นสมัยที่หลวงปู่โดนผีที่ว่านั่งในสาราผีมันเข้าไปจับหลวงปู่แล้วว่าเย็นไปหมดทั่วทั่วกายที่หลวงปู่ไปไหนมาไหนไม่ได้เราสู้ตั้งแต่นู่นเลยแต่อายุยี่สิบปีนูนเราสู้เรื่องภาวนานี่ เราก็ได้บทได้บาทตัวนั้นแหละได้เชื่อตัวนั้นแหละทำให้เราสู้มาเรื่อยๆสู้มาเรื่อยๆรูที่หลวงปู่บกเืนตั้งแต่อายุยี่สบปีในการภาวนาเจอกับพวกนี้มาตั้งแต่อายุยี่สบปีลูกลูกพี่อาาวนะอันนี้ก็ลดเข้ามาลดเขาา้เขามาตัว น, นั้นพอมีกำลังก็ตั้งใจแล้วถ้าเราจะตายก็มือผีตอนนี้มันคงจะคว้าคอเรานานแล้วล่ะ แล่ทําไมมือผีตัวนี้มันจึงยังไม่คว้าที่ตรงคอหอยเรามันจึงมาอยู่เด่นอยู่หน้าเรานานแล้วเรานับดูนิ้วมันก็มีอยู่ห้านิ้วอยู่นี่มันมือใครดูสิลูกเริ่มมีสติเพราะมันกลัวฉุดฉีดแล้วมือนี้เป็นมือใครต่อสู้กันมาตั้งแต่สามทุ่มจนยันค่อนคืนแลน้วนี่มันยังไม่ลงกันก็แขนกับมือนี่แหละ นี่เริ่มนับเริ่มนับนิ้วมือดูที่ลูกตั้งสติมันมันคือมันกลัวจุดจิดแล้วมันไม่มีที่ไปลูกมันจะลุกมันก็ลุกไม่ได้เหมือนกับถูกพีอัมนี่แหละเพราะมันกลัวจุดจิตของมันนับนิ้วมือนับนิ้วมือตัวเองเริ่มเริ่มเริ่มที่มีสตินับนิ้วมือตัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปนิ้วเท้าพราะมันเดินสว่างอยู่ก็มองดูนิ้วเท้าก็นับนิ้วเท้าด้วย นับนิ้วมือด้วยนับไปนับมานับไปนับมาอีมันเป็นส่วนเกินมาจากไหนมาก่อนมาก่อนได้ได้สิบนิ้วแล้วแล้วทำไมมันมือตัวนี้มันยังยังยังอยู่ในนี่อยู่พอนับไปนับมานับไปนับมาก็นับลงสิบนิ้วเท่าเก่าแต่ว่ามือตัวนี้มันยังยังอยู่นับพอนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยจิตมันจะมาอยู่ที่อาการนับสติมันจะจ้องอยู่ตรงนั้น คือความกลัวสุดฉีดมันได้ออกไปหมดแล้วแหละเลยมานับนับนิ้วมือที่มันไม่รู้สึกนี่แหละลูกนับไปนับมา ม, ม, มันเริ่มที่จะรู้ว่านิ้วมือเราทําไมมีอยู่ห้านิ้วแล้วมือข้างหนึ่งเราไปไหนแล้วมือนี้เป็นมือไข่ทําไมมันใหญ่ขาวโพนอยู่อย่างนี้แล้วมือไข่ตั้งสติว่าก็เลยเอามือข้างหนึ่ง ไปจับดูมันเย็นเรเริ่มตกใจก็ขว้าอยู่แต่สู้อยู่เราจะสู้กับมือตอนนี้แหละนับดูนับมันมีกี่นิ้วก็นับดูมันก็มีห้านิ้วอยู่ไปจับดูมันไม่มีความรู้สึกถ้าว่านิ้วเราแล้วทําไมมันจริงไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บพอกลับมานับปีกเหลือนิ้วอยู่ห้านิ้วเอ๊ ถ้าเป็นนิ้วเราได้เป็นแล้วทำไมมันจึงอยู่อย่างนั้นเอาแล้วลุกเริ่มแล้วเริ่มนับคือนับนิ้วเท้าด้วยนับนิ้วมือทั้งหมดรวมกันถ้านิ้วเราทำไมจึงมันมันจึงไม่มีความรู้สึกพอพอนับไปหลายครัง้งหลายกาที่มันเวียนไปเวียนมาเท่านั้นลูกเตามันก็เริ่มที่จะคลายความรู้สึกที่ดิ่งลงไปจุดนั้นค่อยถอนขึ้นมาถอนขึ้นมา เข้าสู่สภาพเดิมๆ เ, เป็นปกติมือนั้นขาวโพลนอยู่ยังกลัวอยู่อันนี้ปกติแล้วนะมือขาวโพลนอยู่นยังกลัวอยู่ตั้งสติให้มัน่นว่ามือนั้นถ้ามันเป็นพวกผีมันคงจะบีบคอเรานา น, นแล้วแหละแต่ทําไมมันจึงไม่บีบมันอยู่ที่หน้าเรานานแล้วมือนี้แล้วก็นอนตะแขคงอยู่งั้นแหละไม่กระดุกกระดิกพราะกลัวว่า ผีมือผีมันจะปีบคอทันทีคอยจ้องกันอยู่นะจ้องอยู่ที่นิ้วมือนั่นแหละชักพักเริ่มไปจับใหม่ตอนนี้เริ่มเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกโอที่แท้ก็มือตัวเองนั่นแหละลูกเต้าพิญาเาาเรานอนตะแคงเราเอาเอาเอ า, เอามือนี่ไว่างี้เราหนุนไว้เงี้ มันนานเกินไปมันเลยชามือมันจะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่ตรงหน้านี่มันถูกกับแสงกันจิตมันมันหลอนกันมันก็มือมันก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมือมันไม่กตุกติกเพราะมันไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะมันชาไปหมดพรมาพอมารู้รู้รู้สึกคือนับนิ้วมือนั่นนับไปนับมานับไปนับมาตอนแรกนับนับมันก็ครบอยู่ไม่ไม่รวมกับตัวเนี้ย พอนับที่ช่วงมันจางขึ้นมาจางขึ้นมาถึงรู้ว่านิ้วมือมันขาดไปห้านิ้วก็เลยนับใหม่นับใหม่มันมันอยู่นี่แต่ถ้าถ้าเป็นนิ้วมือเราแล้วทําไมมันจึงไม่มีความรู้สึกบีบมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บเพราะมันชานานครับตั้งแต่สามทุ่มมันไม่บิงไม่เลือดมันไม่บิ่งมันชานานแล้วเพราะเอาเอามือเอาหัวหนุนไว้แล้วมือก็จะมาอยู่ที่ตรงอย่างนี้อยู่พอดี โอ้พอได้วันนั้นอ๋อนี่เหลอผีเราว่าเริ่มเลยลู่เตานั่นแหละนี่เหลอผีผีภายนอกที่ว่าน่ากลวกัวมันไม่น่ากลวกัวเหมือนกับผีภายในผีภายในคือผีความรู้สึกในใจของตัวเองน่ากลัวที่สุดถ้าใครสามารถปราบผีภายในใจของตัวเองได้ผู้นั้นก็ชนะโลกทั้งสามขอให้ลู่เต่าเข้าใจนะั่นี่แหละ ผีทางภายนอกเป็นผีธรรมชาติธรรมดาดอกมันเป็นก็มันอยู่อย่างนั้นที่เราตั้งชื่อตั้งแจ้งให้เขาว่ามันน่ากลัวแต่หารู้ไหมว่าผีภายในตัวนี้เป็นตัวปรุงตัวแต่งให้ผีภายนอกน่ากลัวให้ลูกเต้าเข้าใจมันจะเชื่อมกันถ้าผีภายในไม่เป็นไม่มีเชื้อจะแล้วมันก็สิ้นภพมันจะต่อกันไม่ได้ดถ้าผีภายในไม่มีเชื้อที่จะติดกัน ผีภายนอกก็ไม่เกิดตูกตาเออพิจารณาให้จัดแจงนะถ้าผีภายในไม่มีผีภายนอกก็ไม่เกิดเพราะผีภายนอกมันเป็นสมมุติอยู่อย่างนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนผีภายในเป็นตัวปรุงแต่งเอาถ้าผีภายในถูกถอนรากถอนโคนแล้วก็ไม่มีผีภายนอกให้ปรุงแต่งอีกเพราะผีภายในไม่มีเชื้อที่จะดึง เข้ามาปรุงแต่งในเรื่องสังขารขันรู้ก็จักแต่ว่าเท่า น, นั้นเองนี่แหละกว่าที่หลวงปู่จะออกจากการภาวนาธรรมดาๆทางโลกได้ก็เล่นเราเกือบบ้าบอหลายครั้งหลายหนถึงในช่วงที่กองคารวะอยู่แต่โดยใจมันฝักใยใจมันบึกบึนมันชอบทางด้านทำจิตตภาวนามันจึงอยู่อย่างนั้น เมื่อจิตมันผ่านจุดนั้นได้มันก็รวมแล้วรวมแล้วรวมแล้วรวมแล้วที่ต้นว่าต้นนั้นที่สุดคือมันผ่านจุดนั้นแล้วก็เข้าไปต้นว่าหลังมาจากที่มันผ่านที่ไปนับนิ้วมือตัวเองนั่นเนี่ยผีภายในมันหมอบมันยังไม่ถูกฆ่านะลูกเตามันหมอบแก่นั้นความกลัวถ้าว่าความความกลัวมีแต่มันไม่จะทุกข์ตะทมันมีอยู่แต่มันไม่จะทุกข์ตะท ยิ่งกลัวยิ่งสู้ดูที่ซักศียิ่งกลัวยิ่งสู้อังนั้นเวลาที่ไปเจอผีที่ต้นว่าต้นนั้นที่ลุงผู้เคยเล่าให้พวกเราฟังที่มันจิตมันรวมพึบลงขั้นทีตีจิตแล้วก็กลับออกมาสู่ฌานทลุขึ้นไปบนอากาศจิตตัวนั้นมันจะไม่ยอมลงมันจะไปนั่งอยู่บนอากาศที่เป็นโขดหินโขดหนึ่งอยู่บนอากาศ ยิ่งมันกลัสุดจิตแล้วก็สละตายครั้งนั้นจิตจึงเพิบลงเลยมันเหมือนกับไอ้น้ำหมุนเชี่ยวเป็นรูเล็กๆ ล, ลงพอจิตที่จะรวมครั้งแรกเนี่ยคือที่จะจะรวมใหญ่ครั้งแรกนะลูกตาพูดถึงตอนนั้นก็รวมแลรมแลรวมมานานแล้วแหะแต่ว่ามันยังไม่ได้รวมใหญ่เพิบลงที่มีที่มีสติเต็มที่และมีความกลัวเต็มที่คือรวมแบบสลัตายนี่แหละจิตรวมแบบสลัตาย มันเหมือนกับน้ำตั้งหลายสายที่กำลังนิ่งอยู่นี่แหละที่รวมมันจะรวมรวมครั้งที่มันโสสุดนั่นนะพอที่บอกว่าสลัดตายแค่นั้นเองที่ตอนผีตอนนั้นมันจะให้ตายด้วยนั่นออกมันหน้าจิวหน้าขวาเพอก็เหมือนกับมองเห็นน้ำทั้งหมดที่กำลังนิ่งอยู่แล้วน้ำทุกสายที่มีหลายๆสายหมุนเชี่ยวมารวมกันชนกันแล้วหมุนหมุนเป็นเกี่ยวชนิดที่รุนแรง เหมืนเป็นรูเป็นรูเล็กๆแล้วพิ้ว ล, ลงจุดนี่แหละจิตลงปู่รวมครั้งแรกรวมไม่เหมือนหมูแต่ว่าจะพูดถึงที่ลงปู่ลงตาที่เพื่อนทํำนายเพื่อนว่ามันรวมครั้งแรกนะั้นมันทรงอภิญญาเลยเป็นเป็นพายุหมุนนั่นแหละคือฤทธิเดช ท, ที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกที่คองกาลว่าอยู่ที่มันสอดรูดสอดเห็นนี่แหละที่เรียกว่าอภิญญาเราไม่ทราบในเรื่องนั้นหรอกเรามาเจ้าไปหลังที่กว่าอาจารย์พูดให้ฟัง เราไม่สนใจในเรื่องนั้นสนใจแต่ชนิดที่ว่าหน้าจิ๋วหน้าก่อนที่ที่จะตายรู้ว่าจะตายแล้วนี่คือมันผ่านสุด น, น, น, นั้นมาแล้วไงลูกเต่าผ่านการฝึกฝนอบรมนิสัยมานานมันถึงท่านที่สูตรของมันมันก็ลงอย่างนั้นเฮิฟลงเลยที่ต้นว่าต้นนั้นนี่ในเวลาถอนนี่ถอนอย่างรวดเร็วก็ทะลุขึ้นไปกลางอากาศนู่นนะมันดับไปหมดความรู้สึกดับดับไปหมดซุ้มเฉียงอะไรดับดับดับตอนที่มันจะดับ ครั้งนั้นที่จิตมันจะรวมลงใกล้กจะถึงจิตที่มันไม่รับรู้อะไรเนี่ยมันจะได้ยินเสียงรถที่เขาจะนําพาเราไปไปตายในช่วงนั้นเสียงดังเพียงนิดเดียวดังแค่นิดเดียวนีดเด่เ น, น้นความรู้สึกก็ดับพร้อมกันทั้งหมดอสักพักหนึ่งก็หมุนเกี่ยวออกมาทอนออกมาแล้วก็ลอยขึ้นสู่กลางอากาศการลอยการรวมลักษณะเดียวกันเด็กดูคือหมุนเหมือนกันเมื่อกเราพวกเราได้รับคาลังนี้ทุกวันนี้ ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเหตุในการที่พวกเราเป็นหมุนซ้ายหมุนขวามันรุ่งปูเป็นมาตั้งแต่คาราบาดโดยไม่มีครูไม่มีบาจสอนนี่พอพอมันจิตมันเป็นอย่างนั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนสถานะของจิตใหม่เลยจิตเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยโอ้โนี่เหลือที่เลยว่าจิตสูงเวลาเดินวงไปไม่เหยียบพื้นเลยเวลากลับบ้านแต่ที่เราให้พวกเราฟังในสมนะ พอไปถึงบ้านมองดูบ้านเหมือนกับอยู่ข้างล่างนั่นะพยายามขม่มข่มความรู้สึกพยายามยังจิตให้มั่นอยู่ในกายตลอดเพราะว่าเหมือนกับเรานี่เดินอยู่สูงบ้านเล็กๆนิดเดียวค่อ ย, ยข่มให้มันลงมาลงมาเคยศึกษาตำหนักตำราในประวัติชีวประวัติหลวงปู่มั่นและหลายๆหลวงปู่ที่บนบอกว่าจิตมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยไปโมเมลตอนนั้นว่าจิตสูง ให้ลูกต้าเข้าใจนะี่ยเราเป็นโมเมเพราะจิตสูงสิถ้าความไม่จริงตัวเองจะเป็นบ้าไม่ทราบเท่นั้นเวลาที่มันข่มกันลงมาข่มกันลงมามองดูพี่สาวมองดูพ่อแม่เหมือนกับมดกําลังที่จะไต่ออกมาจากรูเล็กๆเพราะยันข่มตัวเองลงข่มตัวเองลงจิตมันสูงเริ่มเลยอันนี้เราคงจะอยู่ต่างโลกไม่ได้แล้วอันนี้คือจิตมันอยู่อย่างนี้แล้วมันทิ้งทางโลกทั้งหมด เอาแล้วตอนนี้ความฝักใฝ่ท้งโลกรับไปหมดเลยมองไปไหนก็เพราะเราเพราะเราที่จิตมันจะรวมครั้งแรกมันมรณะนะสติเป็นอารมณ์มองไปไหนก็มีแต่ความตายเต็มไปหมดอะนวนำตาร่วงดูสิดวงดาวพิจารณาเนี่ยเกิดความเบื่อไหน่ทั้งโลกมองดูหน้าพ่อหน้าแม่ตั้งแต่สมัยก่อนที่ว่ามีความรักความผูกพันกันมากไม่สามารถที่จะหนีได้กับพอ พอไปดูตอนนั้นพอเป็นปกติเกิดเบื่อหน่ายนี่แหละตอนนี้ก็เริ่มเลยตอนนี้เริ่มแล้วเดินจงนคมนั่งภาวนานากักจิตทั้งรวมแล้วรวมเราจอดรูด้สอดเห็นพบต่างๆที่เป็นบิญยาณเป็นทเทวติวารดาเป็นโลกของนรกที่เห็นตั้งแต่ในสมัยความกาลาวานอยู่มันไม่มีกูไม่มีบายอนแต่มันจอดรูด้จอดเห็นไปหมดเลยอย่างนั้นโอ้มันเป็นอย่างนี้เลย แน่ใจตายใจในปฏิปทาลงผู่มันโอ้ oh. เราเจอแล้วว่ะคือเราเจตนาว่ตั้งใจไว้ว่าถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วรู้แจ้งเห็นตามปฏิปาทาองผู่มันเราบวชแน่นอนเราไม่สงใจเล็งเนเ้นตอนนั้นเน้นเลยเอาละตอนนี้พอพอหรือยังถามตัวเองพอแล้วรู้แล้วพอมองไปทางโลกมันไหมมันไม่รับพเพราะจิตมันจะรับแต่ทำอย่างเดียวตำราตำราที่ศึกษาไปทั้งโลกติดหมดทิ้งหมดเห็นไหมล่นะลูก รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงพร้อมเตรียมตัวออกมันรรพชามันต้องได้จิตถึงกำลังนั้นดูมันจึงจะสามารถที่จะนําพาตัวเองออกจากความยึดมัน่นถือมั่นได้ป่านนั้นยังเล่นงานลุงผัวอยู่ที่บ้านหล่อน่าดีดูที่ลูกตัดพ่อตัดแม่ตัดพี่ตัดน้องตัดญาติของญาติการตั้งจัดจ่ไม่เห็นหน้ากันตลอดชีวิตชื่อของเราก็จะดับจาก ตระกูลนี้และยี่ของเราก็จะไม่มีในหมู่บ้านนี้อีกฝากผีฝากใกล้ฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรพระสงฆ์ออกกายถวายชีวิตเติ่นทูนเหนือหัวสูงสุดตายที่ไหนก็คือแล้วไปนั่นไงลูกอาจหายไหละ่ะพวกเราเป็นยังไงมันก็แค่นี้ก็ปฏิบัติแค่นี้มันก็เป็นแค่นี้หละแกให้มันอาจมัญหาไม่เหลวงปู่มันก็ยาก ดานที่เผูกพารู้นะฟังตั้งแต่เริ่มต้ น, นมีสักกี่คนที่จะบาดธนาบุญิพานมีสักกี่คนที่จะสวเป็นโสตายในพุทธธรรมสงมีสักกี่คนที่จะเอาจริงเอาจังในภาคปฏิบัติเรื่องนี้พวกเราเห็นเขาบอกมาเนี่ยก็ขอข้าวจ้างก็ทำโน่นทำนี้มากพืจะได้บุญได้กุศลอมีปัญญามากๆหน่อยก็เอาละเริ่มแล้วเป็นกูเป็นบาก็เริ่มแล้วให้ออกประกาศ พอให้มาขอจ้างนั้นขอจ้างนี้จะได้บุญมากวุยานิทงมากขอจ้างพุทธรูปบ้างจาราบทวิหารเออมันก็ไปอย่างนั้นแต่ทั้งที่ไม่ชราบตัวเองว่าจิตใจงตัวเองเป็นแบบไหนนี่น ใ, นใจใจใจมันยังไม่ได้เข้าสู่ฐานะของจิตที่เป็นเอกที่เป็นหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตมันเข้าสักเข้าเข้าสู่ฐานะจิตที่เป็นเอกเป็นหนึ่งแล้วมันไม่สนใจกับใคร แต่ปานนั้นมันก็มาเสื่อมที่ที่บ้านเหล่านาดีเพราะอาหารบ้านเหล่านาดีเป็นสถานที่ที่สัปายะบินทำบานนี่ล้นใส่รถเช็นรถน้ำโอ้กองคนอื่นเบื่นชิกอยู่เพราะในสมัยนั้นยังไม่ได้แตกแยกกันระหว่างบ้านเหล่านาดีกับบ้านหนองคูบ้านสองสามตี ห้าหมู่บ้านยิงรวมกวันอยู่ที่วัดป่าบรรเหล่าน้าดีเพราะเป็นวัดขององค์ลุงผูกคําดีปลา ป, า, ปาสูนี่เรื่องของเรื่องมันลูกเต่าดังนั้นสิ่งที่ไม่เคยเป็นมันก็เป็นที่ชันนมนี่แหละลูกเต่าจิตเสื่อมฉันนมจิตเสื่อมเริ่มแล้เริ่มที่จะอาหารเข้าไปแล้วนมมันมีมากเราก็ไม่ค่อยฉันอาหารเท่าไหร่ล้วก็ฉันนมพราท้องเราไม่ดี แล้วก็เลยเอานมไปไว้ที่กุฏินมนั้นไม่ใช่ว่าเอาไปมากเอาไปเพียงขวดเดียวนั่นแหละเอาไปเพียงกล่องเดียวนมสดเพียงกล่องเดียวเพราะว่าท้องมันปัน่นป่วนว่าจะฉันในช่วงที่สว่างแล้วเพราะพราขาวสามารถเจ็บได้ไม่ได้เป็นอาบัดเหมือนกับพระพราะท้องทุ่งผูจะไม่ถ่ายเป็นโรคท้องมาตั้งแต่เป็นกาลาบาเพาเป็นโรคกระเพาะหนัก ถึงขั้นเขาต้องถามเขาหลวงพยาบาลหลายครั้งหลายหวนที่เป็นโรคกระเพาะก็เลยต้องใช้นมเป็นตัวรักษาเรื่องนมตัวนั้นจริงทําให้จิตหลวงปู่เสื่อมที่วันเหล่าน่าดีเรื่องอาหารนี่แหละลูกหลวงปู่พูดพูดถึงเรื่องอาหารตลอดนะที่พวกเรามันอยู่กับหลวงปู่จะเป็นน้ํำปลารุกปนนะเป็นอะไรข้อตามนั่นแหละลูกทําให้จิตพวกเราเสื่อมจิตมันไม่ได้จ้องอยู่ที่ธรรมมันจ้องอยู่ที่อาหารจ้องอยู่ที่ ไ อ, อ้การหิวกลัวเป็นกลัวตายกลัวจะเป็นโรคนั้นโรคนี้นี่แหละลูกกิดเสื่อมพอมาเอากันจริงเอากันได้ก็เลยสรุปอยู่ที่บ้านหล่หน้าดีที่ไปชีช้จุดให้พวกเราได้เห็นนั่นพอจากนั้นมันก็เลยไม่มีคำํคำคําว่าเสื่อมไม่เห็นอีกคาว่าเสื่อมคือหมายคือเสื่อมเรื่องอาหารอีกทิ้งทั้งหมดทิ้งปาละไม่มีอะไรที่เป็นภาละไม่มี พูดเลยแม้แต่ลูกอมอันเดียวก็ไม่มีอยู่ที่กุฏินี่เราพูดตามสมัยที่เราฟองกับเราบ้นที่เราเป็นพระขาวอยู่บ้านเหล่านาดีแม้แต่ลูกอมเพียงเม็ดเดียวเราไม่เคยพกใจยามนี่น่ะถึงจะตายก็ทําตายไปซะแล้วบ้านเพราะมันจิตมันเป็นปึกแต่แน่นหนแล้วในโจ้งนั้นเพราะมันรวมแล้วโลกทธานุมันหวั่นไหวแยกความรักความอะไรไปมดที่บันเหล่านาดี นี่แหละพอมันดับจนนั้นแล้วมันก็ได้ผลที่ผลตัวนั้นเกิดอานิสงุอานิสง์สงเกิดเมื่ออานิสง์เกิดแล้วเราก็ได้รับตัวนั้นแหละลุะลงปู่จึงอยู่อย่างผาสุกเย็นใจตอนนี้ไม่นอนยืนเดินนั่งไม่นอนยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดตลอดนั่งก็หลับเอายืนเดินนั่งไม่นอนยืนเดินนั่งก็หลับนั่งหลับเอานั่งหลับเอาพอไปในช่วงที่ไปดู แลกุบาอาจารย์ไปปื้อนนิบาสกุบาอาจารย์เพื่อนท่อุปถักุบาอาจารย์เพืน่นกลับมาแล้วแล้วก็นั่งพักให้มันยีบหนึ่งนั่งพักเอาหลังพิงต้นเสาวไว้เพราะมันจะได้ผ่อนเวทนาตัวนั้นเพราะเราตอนแรกเรากลัวเรากลัวเจ็บก็ได้ป่วยกลัวเจ็บกลัวตายกลัวว่าจะเป็นภาระของกุบาอาจารย์แต่เวลาที่มันแยกออกจากกันแล้วมันไม่กลัวเลยเชื่อกมเชื่อผลของกรรมถึงจะตายก็ตายไปทีตายตอนนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นห่วง เพราะพ่อแม่ญาติโกงติกามันได้หมดเชื่อในจิตในใจตั้งแต่เป็นพ ร, ระขาวที่บ้า น, นหลอณนนดีมันได้มีตอนนั้นลูกเต่างั่นพินาจารณาที่แต่พวกเราปฏิบัติแต่พวกเราปฏิบัติแบบไหนต้องผู้สอนต้องผู้สอนแบบต้องผู้สอนตามความจากความจงที่หลวงปู่ได้รู้ได้เห็นมาแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยเสียด้วยซ้ำว่าสอนพวกเราผิดเพราะมักในการเดินทานงหลวงปู่เป็นมักที่ ส่นโสนแต่เป็นมรรคที่ถูกต้องตามธรรมตามไปไหนที่เรียกว่ามารรคแปดเขามันเป็นขั้นปรมัดถ้าใครไม่เดินตามมรรคแปดนั้นก็ไม่สามารถเข้าสู่สถานที่ที่บอกว่าความชุ่มเย็นในจิตในใจได้นี่ลูกตาเออที่สอนพวกเราทุกวันนี้ลก็สอนแบบแบบเจนิตี้บอกว่าเบาที่สุดแต่ถ้าจะเอาแบบองค์ลุงปู่มาสอนพวกเราเจนิตี้เค้นพวกเราจริงๆพวกเราคคทนไม่ได้ ด้วยว่าเราจงข้อโลกด้วยความเมตตาเพราะเชื่อตรงนั้นลูกเต่าเชื่ออะไรเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อบา ร, รมีที่สั่งสมมาสมบูรณบริบูรณ์แล้วมันก็ปั้งของมันเองไม่สงสัยการสอนเราจึงสอนมัจจิมาปฏิปทาเอากลางๆสําหรับพวกเราที่เป็นนักกระพฤปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างบารมีเสริมสร้างสติสร้างจิตสร้างปัญญาของพวกเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นก่อน การที่สอนอย่างผ่าดผลจึงไม่ค่อยมีให้พวกเราค่อยเป็นค่อยไปเพื่อต้องการล้างให้พวกเราอยู่ในธรรมในวิ น, นัยอยู่ในคุณงามความดีเจ้าก่อนแต่ไม่ให้ลูกเต้าเ ฟ, ฟ้ออกนอกลูก่นอกทางนอกธรรมนอกวิ น, นัยสติปัญญาของลูกเต้าต้องพึ่งกันเองไม่ใช่จะพึ่งคนอื่นคนนั้นคนนี้ให้บอกให้สอนลูกเต้าต้องสอนตัวเองจริงไหนที่เป็นไปเพื่อ ทำให้ตัวเองเศร้าหมองทำให้จิตตัวเองเสื่อมสิ่งนั้นพึงทิ้งให้ทิ้งให้ได้ละให้ได้พังมันให้ได้ต้องรู้จุดหมายปลายทางของตัวเองว่าบรรพชามาเพื่ออะไรเข้ามาเป็นแม่จีป้าขาวเพื่ออะไรเข้ามาประพฤิปฏิบัติทรเป็นุบาตอกุบะเิกาเพื่ออะไรเพื่อยังบุญพาวาจนะบารมีให้เกิด เพื่ อ, อยังมักผลพระนิการผ่านให้เกิดประกาศให้เกิดในปัจจุบันหรือเพื่อต้องการความสบายแห่งกิตแค่นั้นถ้ามีความรู้สึกว่าต้องการมารรกผลพนิพานแสดงว่าบา ร, รมีของลูกสร้างมามากอยู่ถึงจะจังไม่รู้ทางก็ยังมีเชื้อตัวนี้อยู่ถ้าลูกต้องการความผาสุกเย็นใจในปัจจุบันมีความสุขในการพึชปฏิบัติบา ร, รมีของลูกก็ด้อยลงมาถ้าลูกคิดว่าพอคืชปฏิบัติ พอที่จะยังบุญยังกุศลเกิดบารมีของลูกกาลังจะเริ่มนี่ขอลูกเต้าเข้าใจนะลุงปู่ทราบถึงการสร้างบารมีของสัดโลกลุงปู่เลยไม่เข้าไปก้าวไก่เรื่องนั้นเลยสอนพวกเราแบบมัจจิมาปฏิปทาสอนเป็นกลางๆให้พวกเราพ่อใจยามสอนจิตสอนใจของตัวเองบารมีมันสร้างสมอบรมมาแล้วตั้งแต่ในอดีตมากมันก็เข้าสู่ในปัจจุบันในะใช่ก็สามารถที่จะยังมั่ง ยังผลให้เกิดในปัจจุบันชาติไม่สงใจนุ่มบุกเขาไปอย่างนั้นเพราะทำไม่ไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะสอนศาสตร์โลกได้เพราะมันไม่เอาถ้ามันจะเอาคือคือมันไม่เอาแบบไห น, นคือถ้าจะสอนเอาจริงเอาจังคือไม่ได้ต้องลดหย่อนผ่อนปนลงมาธรรมดาธรรมชาติตอนแรกมันไม่เอาเพราะถือว่าสอนยากสอนเย็นไม่ไม่ไม ไม่ออละขี้เกียจขี้เกียจสอนแต่พุทธุตาก็ต้องบอกต้องสอนไปเพราะทำบี่ในบอกอย่างชัดแจ้งในการสอนจัดโลกทั้งเบื้องต้นทำกลางบัน้นปลายเรายกอนุบุปภิกขาถาห้าขึ้นมาลงจุดนั้นลูกเต่าปุถะจ่าเนาพระพุทธเจาา้จ า, า, จ า, าสอนอนุบุปภิกขาถาหา้าอ๋อก็ต้องสอนแบบนั้นผู้ที่ไม่เคยเคยทานก็สอนให้ทาน ผู้ที่ไม่เคยรักษาศีลก็สอนให้รักษาศีลผู้ที่ไม่เคยภาวนาก็สอนให้ภาวนาสอนถึงอานิสงส์ในการทานในการรักษาศีลในการภาวนาสอนถึงอานิสงส์สูงสุดในการที่ทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลครบสมบูรณ์คือเมืองปนิปานคือสอนการออกจากการามอ๋อพระพุทธเจ้าสอนอนุบุพิุขาถาห้อนจัดโลก พุทธเจ้าจะมีอยู่กี่ย ว, ๆๆวนานนานเท่งก็ตามมากกว่าไม่เห็นเมตใจที่แต่สะรู้แล้วแล้วที่ยังไม่มาแต่จะรู้ก็สอนอนุบุพิคตาฐาห้าพอแจ้งจุดนั้นก็ลงกันนี่แหละหลวงปู่จึงสอนพวกเราเป็นมัจจิมาปฏิปทาโดยยึดเอาอนุบุพิคตาฐาห้าที่พุทธเจ้าทุกๆุพระองค์สอนเหมือนกันมาสอนพวกเราถ้าไม่สอนแบบนี้ก็ไม่สามารถเอาโลกเอาสงสารสัตว์โลกก็ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ ลูกเต้าให้เรียนานถ้าหลวงปู่ไม่สอนแบบนี้พระเจ้าไม่สอนอนุบูพยฆาตถาห้าสัตว์โลกก็ไม่รู้จักการสร้างบุญสร้างกุศลทานะบารมีก็ไม่รู้จักศีลบารมีก็ไม่รู้จักไม่รู้จักว่านรกสวรรค์เป็นแบบไหนทำเบุญแล้วจะไปอยู่ที่ไหนและสอนอานิสงส์ที่การออกจากกามคือเมืองวณิพ า, านด้วยเข้าในอนุบุพิฆาตถาห้าสอนแยกแกะ สมัยสมผลหลวงปู่ก็ลงใจจุดนั้นเนตทำในวินัยก็เลยยกอนุบูพิวขาถานห้ามาสอนพวกเราคือสอนเบื้องต้นในการทานผู้ที่ไม่เคยทานจิตวิญญาณที่มาอยู่กับหลวงปู่ก็อย่างเ็นเดียวกันเราสอนสอนจุดนี้นหละลูกเต่าผู้ที่ไม่รู้จักทานก็สอนรู้จักทานเหมือนกับวิญญาณ น, น้องสาวของแม่วันเมื่อเช้านี่ไม่รู้จักอะไรเลยแล้วก็เน้นไปจุดนั้นนั่นเลย อนุบุพ <watering>, ภิขาถาห้าในพุทธจัจจนาไม่เฉพาะมนุษย์ลูกเต่าเอ้ยรวมไปหมดในไตโลกธาตุทั้งการพบรูปพบและรูปปบพบทั้งมนุษย์ด้วยทั้งจิตวิญญาณด้วยทั้งเทวบุตรเทวดาด้วยผู้ที่ไม่เคยทานในพุทธจัจนาก็มีท่านในจาจดาจัจจนาอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิพุทธจจนาก็เข้าไปสอนเอาหมด นี่แหะพอมาลึกถึงความเมตตาของพุทธเจ้าผู้ที่เพืปฏิบัติธรรมจริงนําตาร่วงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อจักรโลกในใตโลกก็ไา้เหนื่อยมากพระองค์ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จักคําว่าเหนื่อยเหนื่อยมากขนาดไหนก็ตามไม่มีคําไม่มีความรู้จักว่าเหนื่อยตัวนี้เข้าไปในจิตของพระองค์โสเป็นโสใจในการสอนสักรโลกถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเรา อย่ง น, นองค์หลวงปู่มั่นก็เจริญ เ, เดียวกันเพราะเพิ่นปาฏินาเป็นพุธิยานการที่เพิ่อนอุบัติขึ้นก็เพื่อพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่ถ้าจะพูดถึงพุทธธรรมนายองค์หลวงตามหาบัวเป็นผู้เขียนไว้เรื่องพุทธธรรมนายถึงพระองค์หนึ่งที่จะออกมากู้พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในช่วงปีนั้นปอจอนั้นปอจอนี้ เราจึงรู้กันในทางสายปลาป่าว่าคือองค์ลุงปู่มั่นเป็นผู้ยังพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองท่านจะไม่เน้นสอนมนุษย์เออท่านจะไม่เน้นสอนอุบาจกปปจิกาแต่เน้นสอนพระองค์ลุงปู่มั่นในข้อคิดว่าพระองค์หนึ่งสามารถที่จะทำก็คือสร้างพระให้เป็นพระเทวองค์หนึ่งสามารถที่จะยังพบทั้งสามให้เจริญรุ่งเรือง มนุษย์ด้วยกิตติญวญาณด้วยเทวตรเทวดาด้วยเป็นล้านล้านล้านสำหรับพระพิสุที่สมบูรณ์บริบูรณ์องค์หนึ่งนี่แหละหลวงปู่มันจึงเน้นไปจุดนั้นเพราะเพื่อนจ้างบรัรมีเป็นพธิญาณจึงสามารถยังพระสุ ป, ปฏิปันโนให้เกิดหลายรูปหลายองค์ดังที่พวกเราเห็นถ้าจะเน้นไปทิงอบาุกติกาก็เหมือนกับหลวงปู่สอนพวกเราก็ได้แค่นั้น พราะพวกเรายัางกองคาว่าอยู่ต้องหายอยู่หากินต้องมีลูกมีหัวมีเมียต้องมีกิจการที่ทําสอนก็ได้แต่สักแต่ว่าสอนจึงยกบุ ป, ปพีคาถาให้พวกเราสอนพวกเราพาพวกเราทานพาพวกเรารักษาจีนพาพวกเราภาวนาสอนถึงนรกสอนถึงสวรรค์สอนถึงอานิสงฆ์ในการที่เราผลึกปฏิบัติและอนิสงฆ์ในการออกจากการมเข้าสู่สถานที่ที่ลื่อนือที่ว่าเมืองปิพันธ์ นั่นเด็ดถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องการสอนในพุทธศาสนาพวกเราจะเข้าใจในคำสอนของหลวงปู่ที่สอนพวกเรา ท, ทั้งเบื้องต้นทำกลางบ้านไปผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถเช่าว่าหลวงปู่สอนเรื่องอะไรที่สอนทุวันก็สอนตามธรรมตามวินยัยคือยกอนุบุพเพคขาฐานสอนพวกเราให้พวกเราหแจ้งตาใจให้จังหวังเสวิง่งให้รู้จักทางรู้จักรักษาฉินรู้จักคบภูมิต่างๆ ที่ตกละกรมลำบากที่มีความสุขหมายถึงพบภูมิที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นเทบุตเทวดาอานิสงส์นี้จะสามารถเข้าไปจุดนั้นจุดนี้ได้เหมือนพวกเราเองผู้ที่เดินจงกรมนั่งภาวนาะอยู่ในพบภูมินั้นที่เป็นวิญญาณสามารถที่จะจุติเคลื่อนย้ายขึ้นสู่โลกของสวรรค์นี่คืออานิสงทานอานิสงสีลอานิสงส์ภาวนาะเห็นกันอย่างชัดแจ้งแต่ผู้มีปัญญาไม่สงสัยในคําสอน ของพุทธศาสนาและคําสอนที่หลวงปู่สอนพวกเราผู้ที่สามารถฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่เข้าสู่นิพพานก็มีนั่นก็ผู่เท่าและหลวงปู่หลวงตาดังที่พวกเรารู้เราทราบว่าพ้นชื่ออะไรนั่น ล, ลูกตาอนุบุพเพฆาถาห้าในพุทธศาสนาจึงเป็นบันไดในพุทธศาสนาเดินไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าเมืองประนิพพา น, พานการสอนจึงสอนรวมกัน สอนรวมกันตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายในอนุอนบุพิคถาหเมื่อพวกเราฟังแล้วเข้าใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นอานิสง์ก็เกิดลูกจะสามารถแจ้งในคําสอนของลุงปู่ที่สอนพวกเราว่าทําไมลุงปู่จึงสอนรวมกันไปหมดทั้งเรื่องทานด้วยรักษาศีลด้วยเรื่องอานิสงในการรักษาศีลในการภาวนาอยู่ในภพภูมินั้นๆด้วยที่จุติเคลื่อนย้ายเห็นอย่างชัด เจนที่พวกเรารู้ที่พวกเราทราบทั่วกันไม่สงสัยและทำไมจึงสอนถึงขั้นออกจากกามเข้าสู่เมืองปณิพันธ์ก็สอนตามอนุบุพิคตถาหตามธรรมตามพี่นายถ้าเราแจ้งเราไม่สงสัยในคําสอนพระลุงปู่ที่สอนพวกเราแต่เกียรติกายบึกปืนขวังขวายเพื่อตัวเองสอนจิตสอนใจของตัวเองให้เข้าสู่ขั้นรองแห่งธรรมไม่ได้เพื่อความ ผาสุขเย็นใจของตัวเองอยู่ก็มีความสุขลูกเตาเพราะไม่ได้เกร็งไม่ได้เก่งในภาคปฏิบัติเพราะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเป็นมัชชิมาปฏิปทาเมื่อมันครบสูตรของมันเมื่อไหร่เมื่อมันเต็มที่เต็มฐานของเมื่อไหร่ของของมันเมื่อไหร่ ม, ม, หรมันก็แจ้งเองเราจะเข้าใจในหลักคําสอนของพุทธศาสนาที่ว่ามัชชิมาปฏิปทาของเราเอง เมื่อมัจจิมาปฏิปทาคือสีนสมาธิปัญญามันรวมกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องปูดจะไปบอกพวกเราอีกและก็ไม่จำเป็นที่พวกเราจะสงสัยอีกคือไม่มีข้อสงสัยที่นสงสัยเมื่อสีนสมาธิปัญญามันรวมกันที่เรียกว่ามัจจิมาปฏิปทาขั้นสูงลูกเต้าต้องเข้าใจมัชจิมาปฏิปทาขั้นต่ำก็มีมัจจิมาปฏิปทาขั้นกลางก็มี มัชจิมาปฏิปทาขั้นสูงและขั้นสูงสุดก็มีนี่มัชจิมามัจจิมาปฏิปทาในทำในวินัยก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละตอนแรกมันเข้ากันตอนแรกมันก็เริ่มที่เรามัชจิมาปฏิปทาธรรมดาขั้นเริ่มแรกและขั้นสูงก็สูงยิ่งในการที่ตะดพบตัดจัดนั่นแหละศีลสมาธิมันรวมกันสติปัญญามันรวมกันไม่มีอะไรด้อยกว่ากันสติปัญญาก็เท่ากันจีน สมาธิปัญญามันเท่ากันเลยลูกเตาเมื่อมันเท่ากันแล้วนั่นแเลยเราจะแจ้งของเราเองสันติโกเรียกว่ารู้เองเห็นเองเกิดนั่นแหละไม่จําเป็นต้องมีคนนั้นคนนี้มาบอกว่าข้าพเจ้าถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเป็นโสดาบรรันจักกะทคา อ, อนาคาหรือพระอรหันต์ไม่จําเป็นต้องคนค น, นั้นคนนี้ไปบอกความสว่างแห่งจิตจะทราบเองคําว่าอนาคาคําว่าโสดาจักกทคาอนาคาหรืออรหันต ลูกจะแจ้งของลูกเองเพราะมันฉันที่ที่โกในช่วงนั้นพระพุทธเจ้ามาลูกลูกๆ ก, ก็ไม่ต้องไปถามแล้วเพราะแจ้งแล้วจะว่างแล้วนี่แเลยที่เรียกว่าคําสอนในพุทธศาสนาถ้าหลวงปู่ไม่โศเป็นโสตายในปฏิปทาหลวงปู่มันม่นหลวงปู่คงไม่รู้เรื่องของพวกนี้ถ้าหลวงปู่จะโศเป็นโสตายในปฏิปทาของกุบาจารย์ในสมัยพุทธกาลมันก็ไกลอโขอ ก็ไม่ทราบความจรกความจริงเท็จจริงเป็นแบบไหนในสมัยพุทธกาลเพราะมันเกรื่องเกิดสอง0ันร้อยกว่าปีจิตหลวงปู่จึงดิ่งอยู่ที่ชีวประวัติหลวงปู่มั่นโสเป็นโสตายลงที่นั่นยึดเอาครูบาอาจารย์องค์นี้เป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานจึงสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นละในสิ่งที่ไม่เคยละจนสามารถรู้แจ้งแจงตลอดว่ามัก ผลปณิปานเป็นแบบไหนด้วยอาศัยปฏิปต า, าขององค์หลวงปู่มัน่นฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตัวเองถึงขั้นกลัวสุตจิตทั้งที่เล่าให้ฟังจนถึงขั้นที่เหนือความกลัวและเหนือความกล้าพูดถึงตามหลักคำสอนของพุทเจ้าจาศาสนาลูกเต้าเมื่อถึงที่สุดแห่งอัตแห่งตามแล้วจินสงใจแล้วกล้าตัวนั้นมันก็เหนือนั้นไปอีก กลัวตัวนั้นมากก่เหนือนั้นไปอีกเพราะไม่มีกล้าตัวนั้นไม่มีกลัวตัวนั้นมันมีแต่ความกล้าและความกลัวในขันแค่นั้นแต่ควาวบริสุทธิ์นั้นไม่มีความกล้าและความกลัวนั่นแลที่พุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพวกเราสอนมาสองพันห้าร้อยกว่าปีที่พระพุทธศาสนาเด่นในใจโลกธาตุในวพทั้งสามก็สอนความบริสุทธิ์ตัวนั้น เมื่อลูกเจอแล้วลูกไม่สนใจแล้วไม่ต้องไปบอกข้อนั้นค้นี้หรือจะบอกมันก็ไม่เข้าใจกันอีกเพราะทุกคนต้องเจอเองคําสอนในพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าต้องให้พวกเราเจอเองลุงปู่จึงสอนพวกเรามัชฌิมาปฏิปทาคือสอนให้พวกเราเจอเองเมื่อเจอแล้วไม่สนใจแล้วลูกก็อยู่อย่างผาสุกเย็นใจของลูกเองกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจุดหัวจิตหัวใจเพระาะทราบแล้วว่า ชาติสิ้นหรือไม่สิ้นถ้าพบชาติสิ้นลูกข้อกาบพุทธธรรมสง์อย่างสุดหัวจิตหัวใจถ้าพบชาติยังไม่สิ้นลูกข้อกาพุทธธรรมสง์อย่างสุดหอจิตหัวใจเพราะถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์บริบูรณ์อริยบมงคลชั้นต้นโสดาบันสกทาคาอนาคาเกิแต่ส่วนมากจะลงที่จุดสูงสุดคือเมืองปณิพานจุดนั้น นี่คือการเดินมากถูกดูมันไม่สามารถคือมันไม่ไม่ยืดเยื้อไปหลายภบหลายชาติเราไปทางไปทางไหนไปทางรัดหรือก็ไม่ใช่ <c oughs> ก็ไปตามมาร์กแปดก็ไปตามหลักธรรมคำสอนที่เรียวกว่าอนุบุปปิกาถาพพุทธเจ้าสอนแบบนั้นแล้วก็ไปตามนั้นน่ยดูไม่ได้ไปรัดที่ไหนหรอกรัดก็คือรัดไปปณิพันธ์คือจิตเขาให้จ้องอยู่ปณิพันธ์ถ้าไปทางอื่นถือว่ายาวอาโขไกลอโข ข้าพเจ้าจะเป็นมนุษย์สมบัติเจ้าวันสมบัติหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่แบบนั้นถ้าว่าใจรัดก็ขอให้ลูกใช้คํำบาสเมืองปณิพานจิตของลูกทุกคนในพุทธศาสนาที่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ต้องดิกที่เมืองปณิพานจึงจะสามารถนําพาตัวเองตลอดรอดฝังในภาคปฏิบัติเดินจงกรมนั่งภาวนาก็น้อมเข้าสู่ปณิพันธ์น้อมเข้าสู่ปณิพานนั่น เราจะแจ้งในพระ น, นิพพานโดยไม่สงใจสันติที่โกเกิดในปัจจุบันอย่างแน่นอนคณโมทนารดิณสาธุ